ถามมีตำราบอกว่าคนมีคู่ครองอยู่แล้วถ้าไปนอนกับหญิงชายใดในที่มืดโดยสำคัญผิดว่าหญิงหรือชายนั้นเป็นภรรยาหรือสามีของตนก็ถือว่าเป็นการเมสุ ม, มิจฉาจาร์อยู่ดีเพราะเป็นการล่วงประเวณีกับวัตถุ ก, การมต้องห้ามอันนี้เท็จจริงเป็นอย่างไรตอบ ถ้าหากเชื่อตามนี้ก็ต้องบอกว่าวัตถุ ก, กรรมคือตัวกรรมครับตามที่ถูกแล้วพระพุทธเจ้า ว, ว่ากรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมหมายความว่าถ้าไม่มีเจตนาล่วงละเมิดอย่างไรก็ไม่ควรเป็นกามเมสุมิชฉาจารย์ไปได้กล่าวคือเมื่อตั้งต้นเข้าใจผิดเสร็จแล้วว่าเป็นคู่ของตนก็ขาดตัวตั้งที่จะเกิดเจตนาละเมิดคู่ของผู้อื่น มีแต่เจตนาว่าเราจะร่วมอภิรมกับคู่ของเราแล้วขอให้ลองนึกดูตามความเป็นจริงคงไม่มีความบังเอิญขนาดที่เกิดการจับคู่ได้เสียกันในที่มืดโดยไม่มีอะไรกระโตกกระตากแถมบังเอิญอีกชั้นทั้งสองฝ่ายยังมีอะไรอะไรเหมือนคู่ครองของตนเปรียบกระทั่งชวนกันเพลิดเพลินไปจนสุดทางอย่างไรถ้าไม่ใช่คู่ของตนแล้วทำไปทำมาก็ต้องผิดสังเกตเข้าจนได้ เมื่อผิดสังเกตแล้วไายได่ายหนึ่งเอะอะหรือเปิดไฟแค่นั้นความก็แตกแล้วตรงที่เริ่มรู้ว่าไม่ใช่คู่ครองของตนแล้วยังขืนทําต่อ น, นั่นแหละการเมสุ ม, มิชฉาจานถึงเริ่มได้เลิกเกิดขึ้นจริง